มันยากต่อเรื่องนะคะหลวงตาหนูก็ฟังมานานแล้วหลวงตาพูดวิญ ญ, ญาณขันวิ ญ, ญญาณธาตุอีกแล้วเหมือนกับเมื่อวันก่อนทีนี้หนูก็ว่าหนูกลับไปหนูก็เข้าใจแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้หลวงตาบอกว่า วิญญาณธาตุเนี่ยมันเป็นปัจจตังมันจะเกิดขึ้นแป๊บเดี่ยแต่วันนั้นหลวงตาบอกกันหนูว่าหนูนั่งอยู่เนี่ยหนูรู้ไหมว่าเป็นหนูหนูนั่งอยู่หนูก็รู้หลวงตาบอกอันเนี้ยเป็นธาตุรู้แต่เมื่อกี้หลวงตาบอกว่ามันเป็นปัจจตังมันจะเกิดขึ้นแป๊บเดี่ยวหนูเลยงงอ่ะอยังไงฮะหนูอาจจะยังไงไนะเข้าใจงไะ <c oughs> คือที่ที่ที่เมื่อกี้คุณลูกสาวหนูตาตั้งแต่วิญญาณขันวิญญาณธาตุนะคะวิญญาณขันเนี่ยอย่างสมมุติอ่ะหนูเห็นหลวงตาเห็นรูปมันก็เกิดวิญญาณรู้ว่าเห็นสัญญาสังขารปรุงแต่งไปณขณะที่ปรุงแต่งเนี่ยสัญญาสังขารเนี่ยค่ะหลวงตามันก็จะมีวิญญาณธาตุแทรกทุกอนูเลยใช่ไหมคะ อันนี้ก่อนเดี๋ยวคือวิญญาณธาตุเท่าที่หนูฟังหลวงตาเนี่ยวิญญาณธาตุจะเกิดตามหลังวิญญาณขันไม่แล้วก็อย่างนี้ที่ที่คุยกันนี่คือวิญญาณธาตุที่รู้รู้เนี่ยที่ที่พูดพออยามพูดตอนนี้้ไ อ, ไอตระเกตว่าวิญญาณธาตุมันเกิดจากเหตุอะไรที่นี่พยามพูดเนี่ยคือวิญญาณธาตุค่ะไม่ใช่ว<ต>ิญญาณขันไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณขันค่ะแ ต, แต่ทีนี้วิญญาณธาตุที่หลวงตาบอกว่ามันจะเป็นปัจจตังใช่ไหมคะ แล้วปัจะตตางก็คือถามเขารู้ไหมเขาก็บอกว่ารู้นี่ไงนี่คือปัจจตงังแต่ที่หลวงตาบอกเมื่อกี้นี่หลวงตาบอกมันจะเกิดแบบแป๊บเดี๋ยวปื๊บอะไรอย่างเงี้ยวาบขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยที่หลวงตาบอกอ่าเหมือนทะลุอ่ ะ, อะแต่จริงๆแล้วหลวงตาถามหนูว่าหนูรู้ไหมว่าหนูนั่งเนี่ยหนูก็รู้แต่ไม่เห็นมันทะลุอะไรเลยือยยมันก็แค่รู้อ่ะอะไรอ่ะก็แค่รู้ไม่อยารู้อะไระก็รู้ว่าไม่ไม่ ไปยึดอะไรให้เป็นทุกข์ก็แค่รู้แค่นี้เนี่ยค่ะไม่แต่ปรเอินหลวงตาใจสับว่าทะลุเนี่ยดูก็เลยมีความรู้สึกเอ๊ะมันต้องทลุยังไงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่คราวนี้มันอยู่มานั่งต่อหน้าหลวงตาหลวกตาเป็นผักขับรถไปเราก็ได้ทําเองเป็นเองเราไม่ได้ทําเองเป็นเองค่ะเราต้องเกิดขึ้นดในตัวเราเองค่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้เ น, นี่ยมันมันมันอยู่ต่อหน้าหลวงตาแล้วก็มันเป็นก็เพียงแต่ว่า อันเนี้ยเราดูหนังตัวอย่าง<ะ>เรายังไม่ได้ดูหนังเรื่องจริงที่ที่เกิดขึ้นจริง<ะ>อันเนี้ยมันดูหนังตัวอย่างไปค่ะแล้วทีนี้เมื่อกี้เนี่ยหลวงตาพูดนิดนึงประเคนหลูตาบอกว่าให้ไปนั่งเงียบๆลืมตาแล้วก็ดู ว, ว่าอะไรมันกระเพื่อมเราไม่ต้องไปอะไรกับมันแต่ก็ยังมีเราเนี่ยที่ไปดูแล้วเห็นมันกระเพื่มเนี่ยมันก็ยังมีอะค่ะ เดี๋ยวเดียเดียวาใจผิดมันไม่มีผู้ดูแต่มันมีแต่สิ่งที่กระเพื่อมเกิดขึ้ น, นแล้วใครรู้อะคะหลวงตาเรารู้อะเรารู้เรารู้ว่ามันกระเพื่อมอ่ะอก็เราเนี่ยไงเรารู้อ่ะมันก็เหมือนกับเราไปเป็นผู้ดูแล้วหลวงตาบอกว่าไม่มีผู้ดูหนูก็เลยสับสนอก็อเราเห็นว่ามันกระเพื่อมเรวยถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้่ต้องใสวางตัวเราผู้รู้ถ้าเรารู้สึกว่า มีแต่สิ่งที่กระเพื่อมไม่มีตัวเรารู้อันนี้ไม่ต้องปล่อยวางอะไรถ้ามีแต่สิ่งที่กระเพื่อมไม่รู้สึกก็มีตัวเรารู้ไม่ต้องปล่อยวางอะไรมันจะนั้นไม่เท่ากับปล่อยวางหมดแล้วแต่ถ้ามีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้รู้อย่างานี้ต้องปล่อยวางตัวเราที่เป็นผู้รู้ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันตรงนี้ฟ้ากับดินนตรงนี้เขใจดีมันจะอีกนิดนึง นีกนิดยังไงเดี๋ยวอีกนิดยังไงเดี๋ยว <c oughs> คือถ้ามันมีแต่อาการว่างไม่ว่างมันจะเป็นยังไงก็ตามมันไหวไหวไหวไหวก็เพื่อ ม, มันมีแต่อาการแต่ไม่มีปรากฏตัวเราไปผูร้รู้ไม่ปรากฏว่ามีมีผู้รู้เลยมีแต่อาการที่ถูกรู้ที่ไหวไหวไหวไห ว, ไวอันนี้ไม่ต้องปล่อยวางอะไรเพราะว่ามันเท่ากับปล่อยวางหมดแล้ว ไปในตัวของมันแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีเราเป็นคนคอยรู้อยู่อันนี้ต้องปล่อยวางตัวเราที่คอยรู้เพอไอ้ตัวนี้เป็นเอาวิชา mm hmm. แต่เหตุใดแล้วที่ที่มันมีแต่อาการไหว้ไหวๆ ไ, ไ, ไม่ปรากฏ ต, ตัวเราแล้วแล้วก็อย่างเนี้ยมันเท่ากับปล่อยวางหมดแล้วไม่ต้องปล่อยวางอะไรเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่เบื่อสุดแท้เป็นผู้รู้ที่ไม่ปรากฏ ต, ตัวตวนมันจึงมีแต่อาการที่ไหวๆแต่ไม่มีคนรู้ถึงตาพาขับรถไปหน่อยค่ะ คือหนูก็ยังงองอยู่ว่าหลวงตาบอกให้นั่งลืมตาวิคิดอะไรมันจะกระเพื่มมันยังไม่เกิดเรายังไม่รู้อะค่ะหลวงตาเดี๋ยวไว้เกิดแล้วคเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่จะพี่ดูจะพูดอะไรเอาไหมให้ดูพูดท <C> ีขอขออนุญาต น, นะครับอ่านแล้วก็แดกแล้ก็แด้เออหลวงตาจะจกอคือค <C> ือ <miles> คุณจา๋าอาจจะ งงตรงที่ว่าที่เวลาที่ผมเมื่อกี้สนทนากับหลวงตานะครับว่าเวลาเรารู้รู้ไปเนี่ยแล้วสักพักเนี่ยก็เกิดจากความรู้สึกว่าเรามีตัวขึ้นมาอาการอย่างเงี้ยหลวงตาบอกว่าหลงละพอเรารู้สึกว่ามีตัวขึ้นมาไอตัวนี้คือตัวผู้รู้ที่มีตัวหลวงตาก็บอกพบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้หรือค่าผู้รู้เนี่ยนะฮะก็คืออันเนี้ยที่ว่าที่ต้องจบตรงที่ว่าปล่อยปล่อยวางผู้รู้ แต่แต่หลวงตาท่านบอกว่าอ่าพอพอเจอผูร้รู้ปุ๊บก็ปล่อยวางแล้วก็เริ่มใหม่ดูความคิดใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะดูไปเรื่อยๆนี่ไงก็คือที่จ่าถามเนี่ยแล้วใครไปดูอ่ะมันก็เราดูอ่ะเป็นเป็นตัวเราที่รู้ออที่ไม่มีตัวที่ไม่รู้สึกว่ามีตัวเป็นรู้เฉยๆอ่ะมันรู้เฉยๆแต่เวลารู้ไปสักพักเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกว่ามีตัวขึ้นมาเนี่ยก็ก็เริ่มหลงแล้ะก็ก็ต้องสังเกตว่ามันหลงละ ก็ต้องวางตัวนั้นไปแล้วก็รู้ใหม่มีสติรู้ใหม่รู้ใหม่ค่ะโอเคผมผมแค่นี้นะฮรแล้วหลตาก็จะวาดใช่ตาเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วใครเข้าใจแล้วกลับบ้านได้ใครยังไม่เข้าใจอยู่ต่อตอค่ะก็ ก็เข้าใจค่ะที่คุณดุกพูดอะแต่ว่ามันยังไม่เกิดสภาวะนั้นกับเราเราแค่จินตนาการเราแค่คิดไปเราแค่มโนไปว่าเออถ้าคิดตามที่หลวงตาพูดอ่ะมันก็จะคิดตามไปมันก็ยังเป็นเออแล้วใครจะไปรู้ว่าที่กับเพื่อนก็ต้องเรารู้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่ได้เกิดสภาวะนั้นเพียงแต่ว่าคิดตามสภาวะอะไรสภาวะสภาวะอะไรสภาวะที่เป็นธาตรู้จริงๆ อย่าไปหาท่านรู้ซิมีแต่ว่าอาการที่ถูกรู้แล้วไม่มีหนูก็ยังงงหนูตาพูดคําเนี้ยอยู่ล่ะค่ะถ้าแล้วว่ามีแต่อาการที่เกิดขึ้นมันก็ต้องมีเราไปรู้อยู่นั่นแหละถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรารู้เราก็ต้องปล่อวางค่ะ ถ, ถ้าปล่อยวางแล้วเราก็เป็นคนปล่อยวางอีกอ่าถ้าเกิดสมมุติว่าจะพูดกันในแง่เนี้ยเราก็เป็นคนปล่อยวา ง, วางก็ต้องป่อวางตัวเราเพปล่อยวางอีก <laughs> ไม่มีเรียกว่าคาว่าปล่อยวางคือไม่ไมีใครมายึดถือเราผู้ปล่อยวางค่ะเรียกว่าปล่อยวางคือซึ่งอันเนี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องโยนิโสไปก่อนใช่ไหมคะหลวงตา ม, มันไม่มีทางเป็นไปได้เองเลยหรอกโยนิโศอย่างไงโยนิโสอย่าง ไ, ไางก็คือโยนิโสว่าเออไม่มีเราหรอกมันก็ต้องสอนตัวเองไปใช่ไหมคะค่ะมันต้องคิดไปก่อนคือมันยังไม่เกิดเลยณนะบัต ด, ดนค่ะ แล้วมันก็เห็นว่าสังขารที่มีอยู่ไม่มีใครไปยึดถือเพราะว่าตัวเราไม่มีค่ะแต่มันรู้อยู่ในใจอยู่โยนิสมวนติการนี่จะไว้แล้วว่าเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีเพราะฉนั้นอาการที่เกิดขึ้นไม่มีใครจิ้มไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปยึดถือแล้วทําไมตอนนี้มันจะไม่ไม่มีแต่อาการแล้วแล้วอาการที่มีอยู่ว่าทําไมไม่ไม่มันสิ้นผู้ยึดถือไปเลยลนะตอนนี้อาการที่มีอยู่ตอนเนี้ยเพราะมันไม่ได้คิดอะไรต่างมันไม่มีคิด มันไม่ต้องมีคิดไม่มีคิดทุกอาการมันต้องเรียกว่าอะไรขอให้มันมันไม่มีใครไปยึดถือไม่มีใครไปไปหาเหตุผลอะไรก็ตอนเนี้ยปล่อยให้มันมันมีแต่สิมันเป็นแล้วไม่มีใครไปยึดถือมันแต่ต้องมีสติด้วยไหมคะหลวงตาไม่ต้องเร็วมีสติไม่มีสติก็ตอนนี้ไม่หลงอะไรฮะค่ะมันไม่หลงอะไรเนี่ก็เร็วมีสติแล้วตอนนี้อยู่ตอนหน้านี่ไม่หลงอะไรก็เร็วมีสติแล้วค่ะออืแล้วตอนเนี้ย อยู่ตัวหน้าแล้วตาเนี่ยก็ไม่ได้หลงอะไรก็เร็วมีสติแล้วค่ะก็ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยจ ะ, จะถามที่ละอย่างเลยก็ได้มีรูปทุกคนงจะเต็มเลยรูปทุกอย่างเนี่ยมีตั้งรูปของรูปสิ่งของรูปคนผู้หญิงผู้ชายอสิ่งใดในที่เนี้ยมีที่พลอะไรต่อใจมีที่ผลไหมมีที่พลต่อใจของจา๋าไหมไม่มีค่ะหนึ่งอย่างแล้วนี่คือไม่ยึดสองเสียงที่ดังในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าเสียงน้อตาเสียงเปิดประตูเสียงพัดลมเนี่ยเสียงอ่ะ อยาสังเกตได้ดีๆเมื่อกี้รูปทั้งหมดที่ตาเห็นไม่มีอิทธิพลต่อใจนี่เรียกว่าสิ้นยึดค่ะทางตาคาสองเสียงที่เนี่ยที่ดังทุกอย่างทุกขณะปัจจุบันเมืม่อเสียงอะไรมีอิทธิพลต่อใจไหมขณะปัจจุบันนี้มีค่ะมีอะไรมีเสียงดวงตามีอิทธิพลต่อใจหนูเป็นยังไงอ่ะคือมันทําให้หนูคิดให้หนูอะไรอย่างเงี้ยไปได้อนนี้ถ้ า, ถาเราหยุดพูดอะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะ มันก็มีเสียงอื่นๆเสียงคนอื่นมันก็นไม่มีอิออทธิพลไม่มีอะไรกับหนูค่ะค่ะ <c oughs> อ, อกทาวารไม่มีอิทธิพลแต่หนูค่ะนั่นแหละคือธรรมชาติของถาตเลย <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะกลับบ้านได้ค่ะ <laughs> หลวงตาค่ะงัขออีกนิดหนึ่งแล้วนะคะ่ะตอนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าหลวงตาค่ะสมมติว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะเหมือนกับว่าพอหลวงตาเคยบอกว่าให้รู้แบบในในๆนในในใช่ไหมคะพอพอเริ่มจะทําแบบนั้นปุ๊บมันจะมีความตั้งใจอ่ะคะ่ะเหมือนกับพอเริ่มมีความตั้งใจปุ๊บก็รู้แล้วว่า ตัวเราไปเป็นไปเป็นสังขารแล้วอย่างเงี้ยค่ะพอรู้ถึงตอนนั้นปุ๊บสิ่งที่ทำก็คือไม่รู้จะปล่อยอยังไงก็จะล้างเกมด้วยการดูที่ลมหายใจแทนนะคะก็ถือว่าเป็นการล้างกเกมมันใช้ได้ไหมคะหรือว่าแบบ ออที่ก็รู้ในนายมันถึงว่าทุกอาการที่เกิดขึ้นในใจเรานะรู้ในนายคือว่าให้ให้รู้ไอ้ทุกอาการที่เกิดปรากฏในใจได้นะแต่เวลาไม่อยู่ต่อนน<ม>ั้นหลวงตาไมมีที่พลต่อใจใช่ค่ามันจะรู้ธรรมชาติตอนนั้นแค่ทีลรกทีเดียวอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วพอขณะต่อไปต่อไปมันก็จะเริ่มมันก็จะไม่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นแล้วงงค่ะเหมือนบางครั้งจะต้องเหมือนมันจะมีตัวเราขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะอย่างไงเหมือน S <S เหมือนมันมันมีความตั้งใจขึ้นมาอย่างนี้ค่ะหลวงาตามันมีความตั้งใจครสิ่งได้มีสังขารเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ไม่มีอิทธิพลต่อใจสิ่งใดสังขารไม่มีความตั้งใจขึ้นมานจจนก็ไม่มีอิทธิพลต่อใจอ๋อสังขารอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาทุกขณะปัจจุบันถ้าไม่มีอิทธิพลต่อใจสังขารรูปสังขารเสียงสังขารกลิ่นสังขารรสสังขารต่างผัสสังขารที่มันเกิดขึ้นมาในใจหกประตูไม่มีทุกขณะปัจจุบันไม่มีอิทธิพลต่อใจนั่นแหะคือเป็นธรรมชาติของธาตรู้้แท แต่ถ้าเรารู้สึกหนักปึ๊บแปลว่ามันก็มีอิทธิพลต่อใจใช่ไหมคะมีความเหมือนมีความตั้งใจแบบนี้ค่ะหลงตา อ, อ, อย่างนี้เราก็คือเร า, อ, เ อ, าอย่างนี้เราไปตั้งใจเราหลงไปเป็นตัวปรุงแต่งโอเคไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่ปรุงแต่งมาไม่มีอิทธิพลต่อใจอย่างนี้เราหลงไปปรุงแต่งคือไปตั้งใจแล้วพอเกิดอาการแบบนั้นปึ๊บปะคาหลงตาเรามันสมมติว่าก็ยังปล่อยไม่ได้หรือว่าก็กลับมาที่ลมหายใจแบบนี้มันได้ไเดีย พอเกิดอย่างนั้นแล้วปล่อยไม่ได้แล้วว่าปล่อยไม่ได้เป็นไงแล้วกลับมาที่เราไม่ใจแสดงว่าเราในปรุงแต่งแล้วเนี่ยเอาไปเลยกลายเป็นตัวปรุงแต่งแล้วเพราะว่าเราไปคาดหมายว่าถ้าามันปล่อยได้เราจะเป็นยังไงแสดงว่าเราปรุงแต่งแล้วเพราะว่ารู้นี่มันไม่เป็นตัวตนไม่มีอะไรเลยแต่เราเอาไอ้ตัวเราที่เราอยากให้เป็นไปยังไงได้ไปเป็นตัวเราผิดตัวแล้วะเพราะถ้าเราปล่อยได้จะเป็นยังไงอแต่เราปล่อยได้เราเราต้องไปคาดหมายแน่นอนเลยว่าจะเป็นยังไง เราเลยอมอนปล่อยไม่ได้เราเลยหนีมาอยู่กับลมหายใจแสดงว่าไปเอาตัวที่เป็นอาการน่ะเป็นตัวเราออะเราแต่แท้มันเป็นแต่รู้เอาที่ว่ารู้เหมือนเหมือนไอ้กระจกเงาเนี่ยมันไม่มีไอ้มันเป็นกระจกที่ไม่มีตัวกระจกแต่แต่รู้ตัวเราว่าเราเป็นยังไงอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาแต่เราเนี่ยผิดตัวแล้วเราไปเอาไอ้เราไปเอาไอ้ตัวที่ปรุงแต่งได้เป็นตัวเราเนี่ยจากฟังตรงนี้ก็จะเข้าใจบครั อีกเรื่องหนึ่งสมมติว่าเราเห็นความคิดขึ้นมาใช่ไหมคะออสมมุติว่าถ้าถ้าถ้ามีสักขณะเดียวที่เราไปเข้าใจสิ่งที่เราคิด่ะค่ะแปลว่าเราเป็นไปแล้วใช่ไหมคะแปลว่าเราไม่ได้เห็นมันใช่ไหมคะอันนี้เข้าใจถูกไหมคะคือถ้าเห็นเข้าใจก็รู้ว่าเข้าใจก็แค่นั้นแหละมันเราไม่ไปว่าต้องเข้าใจไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าใจอุตส่าห์แสดงว่าเราปรุงแต่งไปแล้วก็คือเข้าใจก็รู้ว่าตัวเราเข้าใจแค่นั้นแหละไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจแค่นั้นแหละ ก็ืึ้นได้ว่ารู้ซื่อๆตกไปตรงมาอย่างที่มันเป็นถ้าเราไปคาดหมายว่าโอ้เราเข้าใจแล้วแสดงว่าเราปรุงแต่งแล้วไม่ฮะคือมันปรุงแต่งไงก็แค่รับรู้ปรุงแต่งไงก็แค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบแค่รับรู้รับทราบคือเป็นผู้รู้เรื่อยไปอ่ะครับนะคะบางทีอาจจะคิดมากไปนิดนึงนะค่ะหลวงอาส่วนส่วนใหญ่เราไม่ปล่อยให้อาการไปในใจเราอ่ะ มันเกิดดับมันก็เพื่อมันไหวตัวอย่างที่มันเป็นเราจะไปเอาอะไรถ้าเราปล่อยให้ทุกอย่างมาในใจเราเมันเกิดดับมันก right? ็เพื่อมันไหวตัวอย่างที่มันเป็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ม yeah? no ีใครไปแทรกแจงอะไรเลยอันนี้มันจะพ้นทุกข์ได้ไม่ต้องไปเรียกชื่อว่ามันคือธาตุรู้ไงธาตุมันคือมันคืออะไรไม่ต้องเรียกอะไรเลยเป็นแต่ว่าทุกอย่างที่มันไหวตัวได้ก็เพื่อมได้ไว้ไวไว้ในใจ ทุกณาปัจจุบันเนี่ยมันเกิดดับมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นเนี่ยไม่แล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่มีใครต้องไปแทรกแซงมาเลยอเงี้ยไม่มีใครไปแทรกแซงเลยคือปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นทุกณาปัจจุบันไม่มใครไปแทรกแซงมันก็จะพ้นจะทุกข์ไปเลยไม่ต้องเรียกว่านี่ธานหรือวิญญาณธาตุนี่นี่คือวิญญาณขันนี่คือรูปเวทนาตัญญาตั้งขงัน ญ, ญาไม่ต้องเรียกเขาได้เห็นแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันมันไหวๆขึ้นมาเราไม่ต้องเรียกว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลย ไม่ต้องเรียกว่ามันมันเป็นยังไงแต่มันมีอาการก็แล้วกันนะที่มันกระเพื่อมได้ไหวได้ปรากฏจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาได้จากไม่มีแล้วมีขึ้นมาได้ไหวๆขึ้นได้มันไม่ต้องเรียกชื่อว่าอะไรเลยไม่ว่าจะว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลนักกุศลกอมันไหวๆขึ้นมากระเพื่อมมานนะั่นแล้วก็คงเป็นอิสระเลยเกิดดับอย่างเป็นอิสระไม่มีใครไปทําอะไรกับมันเลยเราก็จะพ้นจากทุกข์เลย ไม่ต้องเรียกว่าธาตุรู้ไม่ต้องเรียกว่าวิญญาณนักขันไม่ต้องเรียกว่าขันห้าไม่ต้องเรียกว่าสังขารไม่ต้องเรียกว่าวิสังขารไม่ต้องเรียกชื่อเลยก็ได้อันนี้เข้าใจไหแต่อย่างไงนายชวนกลับมาเนี่เออชวนกลับมาเป็นไงเข้าใจยังไงคระเข้าใจค่ะไม่ต้องอธิบายแต่เข้าใจ เขาได้ยังไงเอ้าก็เข้าใจว่าเอวิญญาณอุท่าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเองไม่ต้องเรียกวิญญาณอุท่าเลยนะครับเหมือนสือความรู้สึกที่เราแบบรู้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไปรู้แล้วว่าเราคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปรู้ตัวทันอย่างเงี้ยค่ะ หนูก็อธิบายไม่ถูกแต่เข้าใจค่ะหลวงตาเออาตามที่เข้าใจนี่ไม่เอาะอ ย, า, อ ย, า, อยาตามที่อธิบายไม่ถูกก็ตามที่เข้าใจเราจะได้รู้ว่าเข้าใจถูกก็จะใจผิดก <c oughs> ็วิญญาณที่ที่ททวันนี้ประเด็นหลักของหนูก็คือวิญญาณธาตุนี่ค่ะหลวงตาที่เข้าใจก็คือว่าวิญญาณธาตุก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่ต้องไปให้คําอธิบายใดๆทั้งสิ้นมันเหมือนกับว่า วิญญาณธาตุเนี่ยไม่มีเกิดดับถ้ามีเกิดจะมีวิญญาณมีดับค่ะวิญญาณธาตุไม่มีเกิดนะไม่มีเกิดคือมันมันมีอยู่แล้วแต่มันมีอยู่แล้วแต่มันไม่เกิดดับเอ่าใช่ใ่ไอ้เกิดดับไปแต่แต่สังขารสังขารที่มันเกิดดับในไม่เกิดดับในในสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยค่ะ ตอนนี้เราไม่ต้องไปหาทิ้งไม่เกิดไม่ดับค่ะคือไม่เห็นว่าทุกอย่างสังขารที่เกิดเกิดดับๆแบเลยเนะ่ะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกิดดับอย่างอิสระแท้จริงแบบไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงเลยอันนั้นแน่ไม่ต้องเรียกว่าอะไรเลยมันก็เป็นสภาวะที่ปัสจากทุกเน่ยเจ้ค่ะ ไม่ต้องเรียกว่าวิญญาณขันเรียกว่าขันห้าเรียกว่าวิญญาณธาตุอะไรไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกชื่ออะไทั้งหมดมีแต่ทุกเริยาการที่ไหวไหวในใจไม่ว่ามันจะว่างไม่ว่างไม่ว่ามันจะว่างหรือไม่ว่างนะไม่มีใครไปแทรกแจงไม่มีใครไปยึดถือผมปล่อยให้มันวางกับว่างนะไม่ว่างก็ไปว่างผมปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแหะไม่ต้องเรียกว่าชื่อว่ามันดีมันชั่วมันสุขมันทุกข์มันบาปกันสน มันจะว่างก็ว่าไม่ว่างก็ไปว่างแต่ไม่มีใครไปยึดถือรู้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหละไม่มีใครไปยึดถือแต่เราต้องรู้ตัวถ้าไม่รู้ตัวมันก็จะกลายเป็นหลงอะไรอย่างนี้ไปใช่ปะคะถ้าไม่รู้ตัวมันก็ไม่รู้แล้วถ้าไม่รู้ตัวมันก็ไม่รู้ไอ้จี่มัรู้อยู่แสดงว่ามันมรู้ตัวมันรู้ตัวอยู่แล้วมีสติมีปัญญาอยู่แล้วถึงรู้ว่าสิ่งเกิดดับสิ่งที่มันไหวไหว เกิดดับกระดับเป็นอย่างอิสระไม่มีใครเข้าไปยึดถืออะไรอันนี้มันแสดงว่ามีส ต, ติปัญญาอยู่แล้วนะถ้ามันเห็นแบบนี้ปัญหามันเนี่ยที่มันมันเดือดร้อนก็นคือว่ามันเป็นทุกข์เดี๋ยวเราเราเนี่ยคาดหมายปักทงไว้จะไปเอาอะไรปัญหาอยู่ตรงนี้ที่ดีดีจ๋าไม่จบลงในปัจจุบันคือ จ๋าเนี่ยจะไปเอาอะไรตามที่คาดหมายปักธงไปเพราะั้นจ๋าได้ต้องปักธงอะไรไว้ในใจใจของจ๋าเนี่ยมันจึงไม่จบในปัจจุบันว่ามันหนูยังไม่เป็นน่ะหนูยังไม่ปีสภาว่าอย่างนั้นน่ะหนูอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยผิดแหละเพราะว่าปักธงไปปักธงยึดถือไว้ไม่ปักธงยึดถืออะไรเลยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อ่านใจตัวเองให้ขาดทุกขณะปัจจุบันว่าเนี่ยประตูต้อง ประตูทั้งห้าไม่ต้องไม่ต้องมาดูมันก็ได้วาด่าตาไอรูปเสียงกลิ่นรถสะพานห้าประตูเนี่ยพอมีที่พนตร์ใจหรือไม่มีที่พนตร์ใจดูที่ใจมันก็จะรู้แหละดูที่ประตูใจอย่างเดียว <c oughs> ก็จะรู้แหละที่ในนารหันเจ็ดขวบสอนพระโพธิลาใบลานป่าพระเวลานป่าว่วาจอมปวกยาวานาคืบกว้างศอกมีรูอยู่หกรูเนี่ยทยํายังไงจะจับตัวเหี้ยที่อยู่ในจอมปวกได้ ถ้ากรสอนในอาหารเจ็ดขวบก็สอนพระโพธิละให้ปิดอุตตหาลูคือประตูตาหูจมูกลิ้นกายห้าประตูคืออย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็คื อ, อยาวตาหูจมูกกระจายไปสอดสายหากิเลสก็กคือสํารวมสํารวมเป็นสีต่ห้าประตูแต่ประตูใจเนี่ยเปิดอิสระประตูเดียวแล้วไม่มีใครไปยึดถือเลยประตูใจ โอเคทุกอย่างมไปอิสระอย่างที่นเป็นขออนุญาตอาจจะหนือมตามบอกว่าหนูปักทงเอาไว้อย่างนี้การที่เราสวดมนต์และและอธิษฐานให้พ้นทุกข์กิ่งเงี้ยค่ะปักทงไหมคะอืมพ้นทุกข์เนี่ยมันก็อธิษฐานแต่พอให้สิ้นกิเลสแต่ถ้าเราเนี่ยคําว่าพ้นทุกข์เราไปเอาอะไรไปคาดหมายว่ามันเป็นตภาวะใดอันนี้ก็คือปักทงอืม ความว่าที่เราอธิษฐานให้สิ้นกิเลสในปัจจุบันก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยเราอ่านใจเราขาดว่ามีกิเลสอะไรไหมแต่ที่เราไปปัดทุกข์ข้างจะไปเอาอะไรตัวที่เราคาดหมายว่าสิ้นทุกข์มันเป็นยังไงนี่แต่มันไม่สิ้นทุกข์กีนิพพานเป็นยังไงอย่างเนี้คือยึดถือไม่ได้ที่กิเลสแสดงว่าเราเนี่ยอธิษฐานอย่างแต่เข้าใจผิดอืมในกระดาษปัจจุบันเนี่ยไม่มีมกิเลสกับอะไรคือประตู ตาหูจมลิ้นกายเนี่ยสัมรวมไปเหมือนในน า, ารหันเจ็กรบสอนภาพเวลาเปล่าแล้วเปิดประตูใจไว้ประตูเดียวให้ไปอิสระและไม่มีใครไปยึดถือให้มันสิ้นกิเลสที่ประตูใจประตูอื่นก็จะติดกิเลสหมดเลยตอนนี้เราไปปากทงไว้ว่ามันยังไม่ใช่หนูยังไม่เป็นหนูยังไม่ถึงสภาวะนั้นอันนี้มันจะไม่ีเราจะวิ่งไล่จับวิ่งไล่ไล่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราไปเรื่อยๆเราจะไม่มีทางทันเพราะว่าเราเอาสิ่งที่เราไปคาดหมายไว้ไว้ข้างหน้าเรา แล้วเราจะไล่ไปไม่ไม่ไม่มีทางทันเลยเพราะว่าสิ่งที่เราคาดหมายมันอยู่ข้างหน้าเรามันอยู่ข้างหน้าเราไปเรื่อยๆเราจะไม่มีทางไล่ตามมันเราต้องไม่ปักธงเลยคือธรรมะมีแต่ปัจจุบันถ้าอนาคตเป็นธรรมเมาอดีตเป็นธรรมเมามีแต่ปัจจุบันที่ประตูตาขจมุลินกายห้าประตูนี่เราไม่เอาไปสอดใส่หากิเลสแล้วเราก็ดูที่ประตูใจปล่อยเปิดอิสระที่ประตูใจอย่างอิสระเสรี แล้วก็สิ้นยิดบ้านถือบ้านที่ประตูใจในปัจจุบันนะทุกขณะปัจจุบันก็จะสิ้นกิเลสเป็นสิ้นกิเลสในปัจจุบันเจ้าค่ะนอันนี้เข้าใ จ, จ<ะ>ไหมเข้าใจเจ้าค่ะต่อไปก็สิ้นทุกข์ค่ะสิ้นกิเลสในปัจจุบั น, นเนจจน อ, อไม่ต้องรู้ทำเห็นทำแล้วเพราะงั้นมันจะคิดมากล่ะค่ะลุงตาสิ้นทุกข์ แต่เขาก็ใจหมายคือมันหมายถึงว่ากิเลสคือขณาปัจจบุบันขนาปัจจบุบันขณาปัจจบุบันทัวขนาปัจจุบันไปคือประตูตาุูจมูกลินกายไม่ไปส อ, สาาอดใส่กิเลสเหลหือแต่ประตูใจปล่อยอิสระเสรีแล้วก็สินสส้นเสวยสิ้นบุญยิดมันถึงมั่นที่ประตูใจปล่อยให้มันเป็นอิสระเสรีแต่ไม่ไปคาดหมายว่าเอไม่เห็นมันว่างสักที ไม่เห็นมันอัศจรรย์อะไรสัทีไม่เห็นมันมันเป็นอย่างโน้อย่างนี้สัทีอย่าไปคาดหมายนะอันนี้มันยึดถืออนาคตมันจะหนีอนาคตจะหนีเราไปเรื่อยๆล้ําหน้าเราไปเรื่อยๆเราตามไม่ทันไม่มีนันฉันเลยบอกว่าอนาคตเป็นทำเมาอดีตเป็นทำเมานแต่ปัจจุบันเปิดที่ประตูใจที่ในอารานเจดขวบวสอนพระไปรานเปล่าให้หกปิดต่ห้าประตูเปิดประตูเดียวประตูใจแล้วก็สิ้นยึดถือที่ประตูใจทุกนาปัจจุบัน ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพู่ทาที่ว่าสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจที่ประตูใจสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจตกค่ะก็คือนี่เนี่ยที่เราเรียกว่ที่ในอรหันต์เจ็ดขั้สอนพระไบลานเปล่าให้จอมปลวกหกหกลู่เนี่ยปิดแต่ห้าลู่ก็คือประตูตาหูจมูกริ้นกายเปิดประตูใจอิสระใจรีแล้วก็ที่ยึดมั่นถึงมั่นที่ประตูใจเอวัง And on.